ลุชาวิสัชนาครับกับท่านโลกาโนลมกับผีานาโยตอนกาลยานมิตรและโ ย, ยนิโสมนัสิกาคือทั้งหมดของพรหมจรรตอนที่สองผูรู้ตัวนี้ให้ตัวที่หลวงปูมาพ บ, พบตัวนี้ทําให้ทําลายไปเลยใ่ไหมใช่ทำลาย ท, ลา ย, ทลายตัวที่ว่าเราไปเป็นผู้รู้เนี่ยทำลายมันฆ่ามันหรือเรียกว่าพบกูรู้ฆ่ากูรู้ ก็คือไอตัวที่ไอตัวเราเนี่ยเอาตัวเราไปเพ่งไปจ้องไปดูแล้วเราก็เหนื่อยเราก็เครียดเราก็ตึงนี่นไงโอ้ให้คลายตัวที่ทำให้ให้คลายตั ว, ตวนี้ปุ๊บก็จะไปพบไอตัวพุทธะหรือไอธรรมาชาติของธาตรู้หรือว่าหรือว่านิพพานธาตุเราจะปเป็นหนึ่งกันใช่เป็นหนึ่งเดียวกันจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของธาตรู้เรียกว่าพุทธะแต่แต่เราต้องคือจิตเดิมแท้นะครับในภาษาเรียกว่าจิตเดิมแท้ไม่พม่ธาตุดิบหรือไม่ธาตุในขณะที่เรายังไม่ถึงนะครับเราก็ต้องอาศัยให้ตัวรู้ตัวนี้ใช่ไหมครับ ใช่เงไอตัวที่ทำให้เราเหนื่อยใช่ใช่เงี้ยที่ไอไอตัวที่เราบอกว่ารู้ผิดรู้ถูกก็รู้ไปแล้วก็ต้องอาศัยไอตัวนี้แน่ไอตัวที่รู้แล้วเหนื่อยนี่แน่คือต้องอาศัยตัวเนี้ไปแล้วถ้าถท่านไม่ทิ้งไม่กว้างเนี่ยในการที่รู้ทุกขนาดปัจจุบันน่ยรู้ผิดรู้ถูกไปฮะรู้ทุกขนาดผิดรู้ในในๆนในะมันจะว่ารู้ผิดแบบรู้นอกไปตะพื้นตะพื้นะท่านรู้ในในในๆๆใรู้ตรงที่ผู้รู้เนี่ยไอผู้รู้อะไรแล้วมันรู้อะไรมันปรุงแต่งคิดดึกตอนปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยตลอ ท่านรู้ต้องให้ผู้รู้เนี่ยตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยจะไปรู้ไอ้แต่อาการอาการที่ถูกรู้ไอ้ตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยมารู้อะไรมันต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตลอดพ่านต้องรู้ไอ้ตัวไในคือตัวเราเนี่ยเสมอพอรู้ตัวในเสมอเนี่ยท่านจะไปหลงเอาให้ตัวเราเป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเว่าเออเนี่ยมันจะไปเห็นว่าเราเอาตัวเราเป็นผู้รู้แล้วเรามันจะละไปเราต้องไปพบซะก่อนว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นผู้รู้มันที่จะละได้แล้วเราก็จะ ไปพบเองสิ่งที่เหนือเราขึ้นไปคือเป็นธรรมชาติของธาตุรู้หรือเป็นพุทธะหรือจิตตั้งเดิมนแะแจ๊ที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่เป็นตัวเป็นตนที่เป็นขันห้าที่พยายามไปปรุงแต่งรู้ไปคือหลวงพ่อสุดจรินท่านว่าถ้าเป็นมหาสติมหาปัญญากิเลสเท่าภูเขาก็ไม่เหลือกิเลสกองเท่าภูเขาก็ไม่เหลือเนี่ยคือคือตัว คือตัวธาตุรู้คือถ้าเป็นมหาตติปัญญาเนี่ยท่านจะต้องรู้ถูกมันตั้งแต่แรกคือว่าไอ้รู้ถูกไม่ใช่ป่ะที่รู้ผิดรู้ถูกไม่หมายถึงว่าต้องรู้ตัวในในใมาเรื่อยนะรู้ผิดรู้ถูกแต่ถ้าท่านรู้แต่อาการที่ถูกรู้ไายนอกชั้นเดียวเนี่ยถ้ารู้รูปรสกินเสียงแล้วก็ทำอารมณ์ที่เป็นอาการที่ถูกรู้อันนอกชั้นเดียวแล้วท่านไม่รู้ไอ้ตัวเราผู้ไปรู้มันคิดปรุงแต่งอะไรต่อไปรู้ในในในในในในก็ไปเลยรู้ชั้นในก็คือรู้ที่ ตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยแล้วมันจะต้องปรุงแต่งเสมอเนี่ยเพ่เงี้ยรู้ให้ตายรู้แต่กิริยาการภายนอกรู้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้แต่ทำอารมณ์ภายนอกเนี่ยทีเป็นรู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ชั้นเดียวข้างนอกเนี่ยไม่มีทางบรรทุกคือต่อเป็นหมาท่านบอกว่ารู้จะเป็นหมาสติแบบตั้งไว้ยังไงก็ตามมันไม่มีทางเน่ยอันนั้นทำมาส่งจิตออกนอกถ้าไม่รู้ไม่ไม่รู้ไอ้ตัวปัจจุบันมันเป็นตัวรู้อดีตซะรู้กิริยาการในอดีตไอ้ผู้ที่รู้ในปัจจุบันเนี่ย ผู้ <term. S 2> ที่ร right ู้อาการนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวปรุงคิดนึกตึกตามปรุงแต่งเป็นตัวปัจจุบันเรื่อยไปอาการที่ถูกรู้มันจะเป็นอดีตเรื่อยไปกิริยาการที่ถูกรู้มันจะเป็นอดีตเรื่อยไปพอตัวเราเนี่ยไปรู้อาการนั้นปุ๊บอาการที่ถูกรู้เนี่ยแล้วก็ตัวเราปรุงแต่งตอบไอ้ไอ้ที่เราเนี่ยปรุงแต่งตอบมันเลยเป็นปัจจุบันแต่อาการที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วผมขอย้อนถามที่ต้อถามเป็นผู้รู้เพราะผู้รู้เนี่ยครับเราช่วงที่เราทําลายเลยไหมครับหรือเราต้องรอไป ใช้คอยไปทำลายทีหลังท่านเข้าใจเริ่มทำลายผู้รู้ก็จะผิดแล้วครับผมก็้าจผิดเข้าผิดคือถ้าจะไปทำลายมันหมดไปเลยไม่ใช่อ่าอย่างนั้นผมเข้าใจนะครับว่ามันรู้อยู่แต่เนี่ยเราไม่ยึดไม่ยึดอาศัยมันเป็นเครื่องรู้แต่เราไม่ยึดมันไปเรื่อยๆนั่นแหะคือทำลายผู้รู้ไม่ใช่เหรอเราทิ้งรู้ไปนะไม่ใช่อ่าเสียงคำถามที่ผมเข้าใจแล้วผมมามาถามว่าแสดงว่าตอนนี้ผมต้องพลิก พิสความเข้าใจให้ได้เรื่องเรื่องตอนตอนรู้ผู้เพ่งใชไรช่วงนี้ของผมพิสิทธให้ได้ว่ามีผู้รู้มารู้ผู้เพ่งท่านต้องอยังไงลนะ่ะถ้าต้องเกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาอ๋อแล้วผู้รู้มันมีปวดหัวได้เหรอมันมีธรรมชาติแล้วผู้รู้มันมีตึงได้เหรอแล้วทําไมไอ้ผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราแล้วทำไมต้องไปช่วยผู้รู้ให้มันเพ่งพอรู้สึกเพ่งปุ๊บเรากั ว, กวเราจะเป็นอะไรเราเลยก็พิสิทหนีไปเลิล่มรู้ ไอเนี่ยเรายึดเอาตัวเราแท้แท้ยึดเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะเราไม่มีปัญญามารู้ตัวทันตรงนี้ผมไม่ได้กลัวจิตเสียหายหรอกครับแต่สหัวมันปวดอันี่เงครัาบอกไม่ใกล้ที่จะบอกกลัวว่าตัวเราจะเป็นอะไรไอ้หัวมันปวดได้คือเราเนี่ยรักตัวเราเรารักตัวเราเองแต่เราไม่เดินหน้าต่อว่ะแต่เดินหน้าต่อต้องเดินดั่งมีปัญญาแล้วมันจะบอกไปเพ่งอัดไว้เงี้ยใ้เราก็ปวดหัวเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะผมต้องการพูดในถ้ามีปัญญาป่ะครับครับเราจะไปพลิกหนี เออให้รุ้ไในรุ่นในเนีใยเรืไหงเี่ยเราเราพูดอยู่ตรงนานแตท่านยังยังไม่เข้าใจตรงนี้ยเพราะว่าไอตัวเราผู้เพ่งปวดหัวเนี่ยไอตัวเราผู้ไปรู้ว่าตัวเราอตัวเราเป็นผู้เพ่งแล้วก็ตัวเราที่มีอาการปวดหัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ถูกรู้นอกไอมันก็มีตัวเราอีกอันเลยก็คือข้างในไะไอผู้รู้ที่เป็นตัวเรานี่เนี่ยที่ไปรู้อาการตัวเราปวดหัวแล้วก็ตัวเราที่เพ่งไปพร้อมกันเนี่ย แล้วมันก็จะตึกต่อพูดว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเราแย่ถ้าเกิดเราเพ่งไปเดี๋ยวเราแย่เราปวดหัวหนักขึ้นไปอีกไอตัวนี้มันบ่นพูดอยู่เนี่ยถ้านไปเห็นไอตัวในในตัวนี้ก็ไปอีกที่มันพูดมันบ่นคือไอตัวเนี่แหละมันมีตัวพูดต่อต่อต่อต่อไปอีกแต่พอถ้าไปตัดตอนแค่ตรงชั่ว่าตรไปเจออาการที่ตัวเราเพ่งแล้วเราปวดหัวตัวเราปวดหัวท่านพลิกหนีไปเลยตัวเนี้ยเ้าเลยไม่เห็นไอตัวในเข้าไปอีกอ่ะตัวในคือไอตัวพูดที่มารู้เนี่ยที่มารู้อาการที่เพ่งพร้อมกับอาการที่ร่างกายเราปวดหัวเนี่ยยมันต่่อวางงไ มันพึ่งไปอย่างไงมันพูดไปอย่างไงมันบ่นไปอย่างไงแล้วผ ม, มก็แต่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวไหนต่อไปอีกมไมนได้เรียนจบสิ้แต่มันเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยระลึกรู้เท่านั้นเองพี่ว่าในมหาสติปัฏฐานสี่ที่เจ๊คำว่าอาศัยเป็นเครื่อง ร, ล ร, องรองอละลึกรูกรอร้อาศัยเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกรู้ที่เฉยไม่ได้ว่ารู้ให้ไปเป็นอะไรอาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกรู้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ยอาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกรู้ กายในกายกายในกายเนี่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตทํามในธรรมเนี่ยอาศัยดวเดียงแค่เครื่อง ร, ลอรองละลึกรู้ถ้ายังระลึกรู้กายนะครับก็เราเรารู้อิริยาบททั้งสี่นะครับอันนี้คือรู้นอกแต่ถ้ารู้ในสุดก็คือกายไม่ใช่เราเราไม่มีในกายตัวไม่ใช่ใช่ใชแล้วมันได้รู้<ต>กายเนี่ยมันจะไปถึงจิตเนี่ยไม่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ว่าไปรู้กายข่าวอย่างงี้หรอสุดท้ายเนี่ยมันรู้ถ้าถ้าสมมติว่ามองสุดตรงผู้รู้เนี่ยคือผู้ที่ไปรู้กายเนี่ย กายอริยบทเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยแล้วก็มันก็จะรู้เวทนาไปพร้อมกันเลยคือว่าร่างกายเรามีเวทนาอย่างไรคือมีเวทนาใชมมันนั่งสมาธิปวดแฉ้งปวดขามากเลยมันก็รู้กายกายที่นั่งนั่งสมาธิคือรู้กายรู้อริยบทของกายนั่งยืนเดินนอนใช่ไหมนี่พอไอ้กายที่นั่งยืนเดินนอนสมมติมมตว่ากายนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็ไอ้กายมันก็รู้อยู่ว่ากายนั่งสมาธิมันรู้กิริยาการของกายรู้อริยบทของกายคือนั่งยืนเดินนอนทุกนาฬปัจจุบันหันซ้ายหันขวาทํำนนทําี มันก็รู้กายแล้วก็รู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยมันมีเวทนาอย่างไรคือมันปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดเนื้อเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอันะั้นเสมอรู้กายนะเวทนาชัดแล้วก็พลิกมาดูเวทนาเอามันรู้ไปพร้อมกันแหละไอ้ไอ้ไอ้ใครแล้วปวดแข้งปวดขาปวดเข่าก็คือร่างกายนั้นก็รู้ไปพร้อมกันไอ้ร่างกายที่ปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันรู้ไปพร้อมกันนะเนรู้ว่ากายเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยมันรู้ไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าต้องพลิก จะกายแล media, ้วมารู Making ้เวทนาคือมารู้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันมีเวทนาปวดแก้มปวดขาปวดขาปวดเมื่อยมารู้พร้อมกันแล้วมารู้ในในในไปอีกก็คือว่ามันรู้มันรู้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มารู้ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยปวดแก้มปวดขาปวดเมื่อยเนี่ยมัารู้กายเวทนาเนี่ยไอ้ผู้ที่มารู้เนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันคิดมันบวดอะไรมันพูดว่าอะไรกับเวทนานั้นกับร่างกายที่มีเวทนานั้นคือร่างกายที่มีเวทนาเนี่ยมันคือทั้งกายและเวทนาแล้วนะ แล้วไอ้ผู้ที่มารู้ร่างกายที่มีเวทนาคือนั่งแล้วมันปวดแก้ปวดขาเราจะขยับดีไหมเนี่ยหรือเราไม่จะขยับเราจะสู้มันอย่างเงี้ยหรือเราจะคนมันจะตายอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงดีก็จิตมันก็หาวิธทางที่จะช่วยตัวเองแล้วก็เนี่ยเห็นจิตดีมันเราก็รู้จิตรู้จิตคือรู้รู้ไอ้ตรงผู้รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยมันไปรู้อะไรแล้วมันก็จะปรุงแต่งต่อทันทีเลยด้ทั้งสี่ฐานมันก็รู้สี่ฐานเลยพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเรียกยังทํำ ทำมานุปัตนะทำมาดูปัต น, นาเนี่ยมันก็คือว่าสติเนี่ยเรารู้อยู่เนี่ยไม่ขาดวักขาดตอนเนี่ยเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยส ต, ติขัดไม่ขาดวัก ข, ขาดตอนแล้วเราก็ในขณะที่รู้เนี่ยเราก็มีสติปัญญาเนี่ยกำกับตลอดเวลาเลยคือเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือมีความรู้สึกไว้ในใจโดยแยบคายตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดเลยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้ แล้วก็เราก็รู้ในในในมาเรื่อยในก็คือไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้รู้กายที่กําลังมีเวทนามันก็เลยจิตมันก็ปรุงว่าปุงอย่างว่านปุงอย่างนี้คิดปุงคิดปรุงมาแต่งมันก็มารู้ไอ้ผูกปุงแล้วก็รู้อาศัยเป็นเราโยนิโสมนัสติกาม่นเนี่ยมันคือเราก็รู้ว่าอาศัยเป็นเครื่องเลยลึกลุ้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็สัจธรรมรู้อินเพื่อนไว้ว่าทุกอย่างไปเกาะในจังทุกขงังอันใต่างไม่เที่ยงแล้วก็สัจธรรมรู้ในในในมาเรื่อย พอไปรู้ออย่างนั้นแหละแต่แล้วไอ้ตัวนายมันมรู้ยังไงไงไอ้ตัวนายก็สัต่วันรู้แล้วมันก็รู้ว่าตอนนี้สติสมบูรณ์บริบูรณ์ในการรู้อยู่ก็รู้รู้รู้รู้รู้ไม่หายไปแต่ออเสร็จแล้วปุ๊บแทนที่จะรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสับต่วัรู้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆขาดสายคือรู้ในในในต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้ไอ้ตรงที่ผู้รู้อ้าเผอคัดไปคิดตรงน้เผอพรับไปคิดอะไรตรงนั้นอ้าวก็รู้ละนี่หลงแล้วหลงเพลินไป อ้าวหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมากลับมารู้อีกอ่ากลับมาอีเมื่อสติขาดก็รู้ว่าตอนนี้สติขาดแล้วสติขาดกัรู้ตัวทันขึ้นมาแล้วก็กลับมารู้ต่ออ่ะกลับมารู้แล้วก็สับแต่วารู้เออก็เรียกว่าเออมีสติปัญญาอยู่ไอตอนนี้เราก็รู้ตัวเลยว่าเรามีสติปัญญาอยู่ก็มารู้กลับมารู้อย่างเดิมไม่หลงไปคิดกลับมารู้แต่เราก็รู้ในในในมาเรื่อยเรืยรู้ในในในมาเรื่อเรื่อยเดี๋ยวเผื่อพลั้ไปคิดล่ะคิดปูงแต่งไปโลกคิดปูนแต่งไปทํำเลิกรู้แล้วก็พลับมารู้อีก กับรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือทำก็คือรู้ว่าทุกอย่างครัมันไม่เที่ยงไปนิดจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้สักแต่ว่ า, าอาศรรยัยไปเครื่องระลึกรู้แล้วก็ยังรู้อยู่ไม่หลงถ้ามันหลงปุ๊บ ก, ก็มารู้อันนี้คือทำคือทำในทำเรื่อยไปอ่ะมันหลงกับรู้ไม่หลงก็ไม่หลงก็มากลับมากลับมารู้แ ล, ล้วกลับมารู้อ่ะกลับมารู้แล้วแล้วก็รู้ในในในแล้วก็รู้ไม่ให้ยึดอะไรเลยให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้คือไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราตัวเราไม่มีตัว่วของเราไมมี ไอ้เ น, นี่ยมันต้องโยนนิสโสมนาสติกาไว้ในใจตลอดเวลาโดยแยกใครอย่างต่อเนื่องไม่มขาดสายอย่าไปทิ้งโยนนิสโสมนาสิกาบุญเจ้าตัดว่าถ้าทิ้งโยนนิโสมนสติกาเนี่ยคุณปฏิบัติยังไงก็มีทางพ้นทุกข์ได้คุณทิ้งความรู้ความเห็นความเข้าใจหมดเลยไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะในที่สอนเนี่ยที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยความรู้เนี่ยที่คอสอนทั้งหมด่ผมสอนทั้งหมดมาทุทกแ็กเนี่ยที่ก็ปล่อยไปนั่นนี่คือทาในทำทั้งหมดนั่นแหละ ไอ้ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่คุณฟังมาเนี่ยคือทำในธรรมทั้งหมดเลยที่คุณฟังทำเนี่ยเขาเรียกว่าทำในธรรมแต่มันเป็นธรรมนอกมันจะไม่เป็นธรรมในที่ว่าธรรมในธรรมเนี่ยเพราะอะไรถัดหลังศพเออคุณคุณได้แต่ฟังนอกนะฟังผมพูดฟังซีดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังซีดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟัง youtube ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังผมพูดอ่านหนังสือธรรมะเรียนหนาปเปลี่ยนจนถึงขั้นสูงสุดก็ตามจนถึงปเปลี่ยนเก้าประโยค เรียนพระบิรามจถึงด็ตรปัญญาเอกหรือว่าเขาเรียนพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีการมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาจนถึงด็ตอร์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นความรู้นอกเป็นความรู้นอกนั้นไอ้ความรู้นอกที่ี่รู้มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาโยนิโสมานักการความรู้ทั้งหมดอน่ยเอามาโยนิโสมานักการไม่ไในใจตัวแยกใครจะสอนจะมีการสายความรู้ทั้งหมดที่คุณฟังมาเนี่ยเนี่ยอันนั้นน่ยมันเป็นปัญญานอกคือเป็นสุตตะมยะปัญญา ปัญญาที่คุณไปไปเรียนรู้ไปฟังมาไปครามเข้าใจมาคุณถ้าคุณเอาแค่นั้ น, แน่แล้วไม่โยนิสโมนัสติกามาน้อมไว้นในใจเนี่ยเป็นสุดตมย่าปัญญาไม่มีทางบรรทุกได้ต่อให้คุณเรียนจนถึงด็อกเตอร์แลยกม็มีทางบรรทุกได้คุณก็ยังไงคุณก็เป็นโลกเหมือนกับพวกนักเรียนที่เขาเรียนทางโลกโลกเรียจบมาหาเวลาจนถึงด็อกเตอร์ก็มีค่าเท่ากันแบบว่าความรู้นะั้นไม่ใช่ว่าเรีแต่ว่าเป็นความรู้แบบเดียว ก, กันเป็นความรู้นอกความรู้ในคือก็อาน้อมมาความรู้อันนั้นเนี่ย ที่ฟังทำมาทั้งหมดเนี่ยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านน่ะเอามาโยนิโนศมนักจิตกรไมไว้ในใจโดยแยกขายแล้วก็ปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาหม่ยถึว่าต้องเป็นธรรมที่เพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความปล่อยวางนะไม่ใช่ว่าทำที่หลงให้ไปรู้เห็นนรกสวรรค์ไปมีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตและลึกชาติได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้หรือไปปลุกเสกของไปเล่นเครื่องล้างของขลังหรือว่าไปเล่นเอ ส, สาศาสตร์หรือเรียกในหฉานวิชาไปเรียนในหลากวิชาอั น, นไม่ใช่เป็นความรู้ความรู้ที่ที่ที่ทจะต้องเอาไปโยนในส่วนมนติการความรู้ที่โยนโยนในส่วนมนติการก็คือความรู้ที่เป็นสัจธรรมความจริงของของธรรมชาติในเรื่องของลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายิตมนันถือมัไม่ได้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทขั้นตอนกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทคือเอการวิญญาว่ายตายเกิด ให้เกิดเกิดทุกเกิดภพเกิดชาติแล้วก็สิ้นการเรียนไาวตายเกิดสิ้นภพสินชาติสิ้นทุกเนี่ยปฏิจจสมุปบาทในความเป็นเอกเรียนรู้มาในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรให้ให้ให้ยึดมัน่นตึดมั่นได้คือสรุปแล้วคือคําสอนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยปฏิจจการเกิดของปฏิจจสมุปบาทคือการเรียนไหวตายเกิดให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดทุกเนี่ยแล้วก็สิ้นการเกิดภพชาติการเกิดใหม่อีกเป็นทุกแล้วก็สิ้น ทุก ed, สิ calculated calculated ้นก like so so th ิเลสสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือกระบวนการของปฏิจจ ա ภิวัติเราต้องชัดเจนในใจที่เราฟังมาแล้วนกระบวนการทั้งหมดการเกิดการเกิดกิเลสการการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็การสิ้นกิเลสสิ้นเวียนว่ายตายเกิดต้องชัดเจนในใจของเราชัดเจนในเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันถึงมันไม่ได้ตัวเหล่าเนี้ยแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความหลงคือหลงมาเป็นกิเลสแล้วเราปรุงแต่งมนเป็นกิเลสแล้วเนี่ยที่ก็ อกิเลสเองก็มาไปแยกซอยว่าเป็นนี่นิวรันห้าเป็นอุปกิเลสสิบหกอะไรก็ตามเนี่ยก็คือมันก็มาเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันหลงอะ้รงั้นแ่ะทุกท่นเนี่ยคือหลงทั้งหมดเอละหลงเข้าไปยึดกันเป็นกิเลสหมดทุกตัวเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่เข้าไปยึดในเป็นปกิเลสสักอย่างเดียวนี่กูก็ต้องมีความรู้เข้าใจในเรื่องทำเนี่ยจนแบบแัทเจน ม, มาแล้วเข้าใจเรื่องเลยในขั้นของสุตตมยจจัญญาคือปัญญาเรียนรู้ทำคว า, าเข้าใจมาแล้วคุณก็น้อมมาโจรนิสงสนาสิการในใจ โดยแยกใครอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในธรรมที่กูเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเน่ยไอ้นั่นเราทนอกแล้วมาเป็นทำในาคือเอาธรรมนั้นนะี่ยเข้ามาเป็นในใจมาเป็นจินตามะยะปัญญาคือเอามาโยนิโสมรติการโยนิโสมรติกาก็คือใช้ความคิดความนึกความรู้สึกให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับใจของเราเลยที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดก็คือเอาอะไรมาเป็นหนึ่งเดียวกับใจละคือ ก็เอามารู้เนี่ยมามารู้เป็นอาศัยเครื่องรู้ในกายในเวทนาในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรในธรรมเนี่ยเอามาเป็นเครื่องเล่นเกมเราก็ย้ายจากการเรียนรู้ฟังกิเลสมาเรียนรู้ฟังธรรมะ เ, เออแล้วก็จุดแล้วไอไการที่มาเรียนรู้แล้วคุณก็อยูนนิสโสมาด้วยแล้วคุณ ก, ก็ปฏิบัติเองอย่างที่คุณถามผมแล้วพยายามปฏิบัติแล้วพัฒาปฏิบัติแล้วพัฒาปฏิบัติล้วาในพิจิตรถูกอ่ะอันนี้ก็คือมันภาวนาเมยปัญญาคือเอามาพร้อมกันในใจของเรา ปัญญาสุตตะมัยปัญญาขั้นรู้นอกแล้วมันกับโยนิโสมารู้ในเอาไปเอาไปในใจของเราแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามที่เราได้รู้มาทั้งหมดในใจของเราด้วยใจของเราจริงๆอันนี้มันก็เลยเป็นภาวนามัยปัญญามันก็มันรวมลงที่ใจของเรานี่แหละด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันรวมลงที่ใจของเราที่แน่เนี่ยมันจึงต้องเวลาปฏิบัติมันจึงจะไม่หลงนะเพราะว่าถ้าเราโยนิโสมนติการเนี่ยทํานอกเนี่ยมาเว้นไปเป็นทำในใจเราเนี่ย อยู่ตลอดเวลาไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเราแล้วก็ปฏิบัติเราก็จะไม่หลงนะพะเราหลงปุ๊บตรงนันจะมีปัญญาปิ้งมาช่วยตัวเราเพอเราหลงปุ๊บปัญญาเขาจะปิ้งมาช่วยตัวเราอ่าอุตสาเรียนรู้มาตระหน่านี้ยังหลงได้ไหมก็เราน้อมมาไวโ้โยริโสมนัสติการเนี่ยมันก็ปิ้งมาช่วยเราเองเนี่ให้เราถอนออกมาจากที่เราหลงแล้วเราก็มาอาศัยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเครื่องละเล็รู้จับแต่ละรู้โดยที่ไม่มีผู้ใดเข้าไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และยึดผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรานัเ น, นทที่สดยค ที่ตุทตงทำล่ะคือทําในธรรมที่ตุดก็คือเนี่ยนถึงจิต ด, ดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยแน่หรือจิตต้นต้นจิตเนี่ยแน่หรือพุทธะหรือภาตรู้นี่ยแน่คือทําในธรรมที่แท้จริงล่ะแต่ทําในธรรมอันนี้ยมันเลยไปแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่สติปัฏฐานสีแล้วเพราะว่าไอ้สติปัฏฐานสี่ทั้งหมดเอามาเนี่ยมันจะเป็นความรู้ขั้นมาโยนิสตมนิกายแล้วก็มาภาวานาเมยปัญญาจะเป็นปัญญาสามขั้นคือ ปัญญาที่เรียนรู้ทำควาเข้าใจมาแล้วปัญญาที่โยนในสมนัติการคือเอาเมานึกน้อมเอาเมานึกน้อมไปในใจโดยแยกคลายอยาต่อเ น, นื่องมนขาดสายแล้วมาลงมือปฏิบัติมันจะเป็นขั้ปฏิบัติทั้งหมดแม้แต่ภาวนาก็หลงขั้นปฏิบัติแต่พูดถึงให้พุทธะหรือธาตรู้ที่ว่างเปล่าสุดจะตาแล้วเนี่ยสิ้นความยึดมั่นถึงมั่นสิ้นตัวตนที่ไปยึดอะไรแล้วหรือว่างเป่าจากตัวตนแล้วเนี่ยอันนั้นมันเลยหมดแนละ้วมันไม่มีไม่พูดถึงอะไรเลยมันเลยอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเลยสติปัฏฐานสี่ีพ จบเลยอันันมาจบแล้วมันมันเลยปัญญาทุกขั้นไปแล้วเลยเลยสุตตะมายปัญญาเลยกินตากินตามายปัญญาเลยภาวนามายปัญญาไปแล้วไอ้นี่ไอ้คนนี้ยมันยังอยู่ในขั้นปฏิบัติอยู่ในขั้นทําอยู่เราตามมหาบัวเปียบเหมือนว่าอันนี้คือยังเป็นขั้นปฏิบัติเนี่ยอยังเอาสติปัฏฐานสี่เนี่ยแล้วก็เอาขั้นปัญญาสามเนี่ยคือสุตตะมายปัญญาก <c oughs> ินตามายปัญญาที่เอามายมโยนิโสมโนสิกาไม่ในใจมัแยกคายเนี่ยคือ เอาปัญญาที่เรียนรู้นอกเนี่ยเอามันโยนีโสมนาติกาไม่ได้ ใ, ใจตัวแยกทายเนี่ยแล้วก็เอามาภาวนาเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติที่เรียนรู้ทั้งหมดเอามาปฏิบัติให้ลงแก่ใจของเราสามขั้นเนี่ยยังเป็นบันไดาสามขั้นอยู่ยังไม่เป็นชานเรือนยังไม่เป็นตัวเรือนพอมันปิ้งจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วของเข้าถึงพุทธะหรือว่าเข้าเป็นถึงธาตรู้ที่จิตเดิมแท้ดั้นเดิมแท้แท้ที่ไม่มีตัวตนของผู้ประยิบมั่นถือมั่นแล้วสิ้นกิเลสสิ้นทุ อันนี้คือขึ้นชานเรือนแล้วพ้นบันไดสามขั้นไปตรงนั้นเน่ยเขาไม่เรียกว่าอะไรนะมันเลยเรียกว่าอะไรมันลุกมาแล้วมาเชื่อทำได้แต่ทำไมได้คุณนี่เรียนนะพออธิบายเยอะ ธรรมชาติมีแบบนี้เทำไมทำมันที่อธิบายนี่คือเข้าถึงธรรมชาติที่สิ่งก่อนปรุงแต่งทุกครั้งที่อธิบายทำที่ถึงที่สุดแห่งแห่งธรรมที่ที่เข้าถึงธรรมชาติดั้งเดิมแท้ธรรมชาติดั้งเดิมแท้คือธรรมชาติที่เป็นความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันถือไม่ว่า โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือทุกอย่างที่อยู่บนโลกในทุกอย่างที่บินอยู่ในอากาศเนี่ยที่หมุนเวียนอยู่ในอากาศในจักรวาลเนี่ยเป็นนั่นเป็นสิ่งพุงแต่งทั้งหมดสิ่งนั้นไม่พุงแต่งมีอันเดียวคือความว่างเปล่าของจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตไม่มีไม่มีรูปร่างของจักรวาลคือเป็นความว่างเปล่าที่เป็นอันันต่จักรวาลไม่ใช่ระบบสุริยะจักรวาลนั้นคือเป็นความว่างที่ไม่มีขอบเขตมีตัวตนั่นแหละคือทุกอย่างเนี่ยในสิ่งพุงแต่งเนี่ยมันพุงแต่งอยู่ในความไม่พุงงงงแแตต่่่่อ้สิปุเนีย ม, มีมีมสารพัดมากมายแต่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือความว่างตามธรรมชาติจักรวาลในใจเราในร่างกายเราก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันคือธาตุรู้หรือนิพานธาตุหรือพุทธะหรือจิตตั้งเดิมทแท้หรือใจตั้งเดิมทแท้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือเขาเรียกภาษาว่าวิสังขาร ม, มันเป็นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแต่ความว่างที่ เป็นความว่างที่ไม่ไม่เด่นความปรุงแต่งอะไรเป็นควเป็นความว่างเปล่าของธาตจาอันจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์มันจะเป็นความรู้สึกว่างนะคือไม่มีอะไรที่ไปจับความรู้สึกได้อะที่ไปจับความรู้สึกได้รู้สึกว่างเนี่ยมันเป็นเวทนาขันมันจึงเอาใจไปรู้ได้ว่ามีความรู้สึกว่างแต่ความว่างอันนั้นเนี่ยความว่างที่ปิดจิตตั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันไม่สามารถจะถูกรับรู้ด้วยทางอายตนะตั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันจะเอาใจเนี่ยไปรู้สึกถึงความรู้สึกว่างไม่ได้เพราะมันเป็นตัวใจของมันเองมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ใจไปรู้แต่นั้นน่ะมันเป็นใจของมันเป็นใจซะเลยอ่ะ ม, มันแล้ ว, ลว เ, อาาเอามาถ่ายทอดให้เป็นคำพูดไม่ได้แล้ว มันมันมันไม่สามารถที่จะมันแตกกันได้เลยใช่เพราะว่ามันไม่อาจจะรู้ได้ทางอายตัะทั้งหกมันจะได้อธิบายง่ายว่ามันพูดอะไรมันเลยเป็นสิ่งที่เอามารู้ได้ปุ๊บพอเอามารู้ได้มันผิดมันเลยเขบอกว่าว่างปุ๊บมันเอาความว่างที่ที่มารู้ได้เลยทุกคนพยายามไปจับว่างไว้อะที่จับว่างไว้อะที่รู้สึกว่างไว้มันไม่ใช่มันเวทนาขันเพราะอะไรอาการหลัมันละมันถูกใจไงมันรู้สึกว่างแล้วมันถูกใจดีอันนั้นนะเป็นเป็นสุขเวทนามันเป็นเวทนาขัน มาแล้วก็เลยไปจับเอาเวลนาขันมาเป็นมาเป็นในธรรมชาติของธาตุรมืนฟ้ากับดินเลยอันนั้นน่ยมันไปเอาขันห้ามาเป็นมาเป็นพุฏะอย่างนี้พูดปฏิบัติยังไม่ถึงนี้ก็หมดสิทธิเสรความว่างตรงนั้นเลยนอกจากว่าทําให้ถึงเองนี่เลยครัพูดนี้นี่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ว่าหมดสิทธิจะเสพอะไม่มีผู้เสพ เพราะตัวตนของเราไม่มีผู้เสพจรงไม่มีไงทุกไม่มีผู้เส พ, พ, เ, พเพร า, าท่านพยายามจะไปหาสิ่งที่ท่านเสพได้สิ่งที่ท่านจะเจอมันเลยไม่เจอไงเพราะว่ า, วามันไม่มีสิ่งที่จะเจอจไง ม, ม, มันเจอไม่ได้พบเราจะไปพบมันหรือไปเจอได้ต้องอาศัยอายัดนะทั้งหกเราถึงจะไปหาอเจอเราต้องสามารถเราตาไปมองเห็นเราถึงหาเจอเอาหูก็ได้ไปฟังเสียงที่จะหาเจอเอาจมูกไปดมกินถึงจะ ถึงจะได้เอาลิบไปไปลิบมรสถึงจะได้หรือเอาร่างกายเราไปสัมผัสไปจับต้องได้หรือว่าเอาใจไปรู้ได้เราถึจะหาเจอแต่เราไม่อาจจะรู้ได้มันทั้งด้วยอายะตะนะตั้งหกอะไรไปหามันเจอได้ไงแล้วที่ตั้งยึงยึดคิดบอกว่าโอ้โหเราเราจะมีโอกาสได้ไปเป็นเศษมันไหมเนี่ยพุทธะรหรือว่าภากรู้ดั้งเดิมเนี่ยหรือจิตเดิมแท้เนี่ยเราจะสามารถที่จะปเป็นเศษมันได้ไหมมันจะมีผู้เศษได้ไง เราว่าไอตัวเราผู้เสกก็ยังมีและไอตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายให้ให้เราไปหามันเจอไะมันไม่มีที่หมายไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรที่เราจะไปหามันเจอได้ไงคือหาได้เตาหัวจมูกลิ้นกายใจไม่อาจจะไปหามันเจอด้วยอายะศสน์ทั้งหกผู้ที่ไปถึงจุดนั้นนะครับผมก็มีขบวนการย์เหมือนกันนีครับกระบวนการที่จะไปเข้าถึง พุทธะเนี่ยก็สติปัฏฐานสี่มีตั้งสติปัฏฐานสี่เนี่ยสามารถเข้าได้ได้ทุกตัวเลยในสติปัฏฐานสี่ี่ที่ใช้คําว่าโพธิปักขีย์ธรรมสามสเจ็ดเออโพธิจักทปักคีย์ธรรมสาสิบเจ็ดนั่นคือเครื่องมือทั้งหมดที่เอามาใช้ที่จะเข้าไปหาพุทธะใช่ใช่นั่นแหละคือทํามในธรรมนะนั่นแหละโพธิปักก็คือหนึ่งหนึ่งในธรรมหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ที่เป็นเครื่องมือที่จะมาใช้ รวมทั้งโพธิปักย์พยธรรมด้วยสาสิบเจ็ประการเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในธรรมในธรรมนะมันจะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวธรรมแท้ๆหรือทารู้ทางพแทายสนก็คือมักใน์แปดที่จะที่เป็นทางโดยสหาพุทธคนนี้อ่ามัก็คือหมายถึงว่าไอ้เนี่ยคือความอะไรล่ะคือความตั้งใจ แน่แน่ที่จะต้องให้จบภพบชาติในปัจจุบันหรือว่าความสิ้นกิเลสสิส้นทุกข์สิ้นภพชาติในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปหาอนิพพานเอากรุงนี้มาลือนี้ข้างหน้าเลยนะคือมันเป็นต้องนิพพานในปัจจุบันที่นี่เแถวนี้ทุกขณะปัจจุบันคือการที่เราเนี่ยอาศัยเป็นเครื่อง ร, อระลึกรู้ในติิปถัมภ์สี่เนี่ยอันนี้ในการที่เร า, าเนี่ยมีความุ่งมันแน่แน่แล้วอาศัยเครื่องมือที่พระเจ้าให้มาตื่ทุกชนิดเนี่ยแล้วก็รวมทั้งมรรคในองค์แปดเนี่ย เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในในในธรรมในธรรมเนี่ยที่ว่าหนึ่งในในในธรรมในโดนต้องโคทิปะคุยธรรมว่าต้องมรรคแปดอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทพวกนี้ก็มาอยู่ในบทเนี่ยสติปัฏฐานสี่คือบทธรรมในธรรมทัท้งหมดเลยที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยคุคลนิษเนี่ยที่หมวดธรรมในธรรมต้องมาโยนิโสมนัสสิกายไว้ในใจของท่านไม่ใช่เหรอ รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราอยู่ในซีดีไม่ใช่ว่าเอาไปเป็นปัญญาณ น, นอกไว้มันต้องมีทุกเครื่องมือทั้งหมดเนี่ในทําในทำเนี่ยต้องมาอยู่ในใจของท่านหมดแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติมันถึงจะไม่พลาดผมว่าดีมาก ท, ที่เปิดโอกาสให้ท่านถามทั้งหมดเพราะว่าท่านจะได้พายข้อสงสัยไม่งั้นถ้าก็ปฏิบัติไปแล้วท่านก็เหมือนชิคซซอ เป็นจิ๊กซอคือไอตัวต่อไอตัวเลโก้ที่ก็มาต่อต่อต่อต่อต่อกันยังไม่ท่านมองภาพไม่ออกเลยมอพภาพรวมไม่ออกในการปฏิบัติท่านได้ตัวจิ๊กซอมาแค่ตัวสงตัวสามตัวแล้วทก็ไปไม่ถูกทงงมากพอผมให้อีกตัวหนึ่งพอผมให้อีกตัวหนึ่งแล้วจะไปฟังคุณนุ่มแล้วคนนี้เอาหลายๆคนที่จะไปฟังมามารวมแล้วท่านเอามาต่อเชื่อมโยงกันไม่ได้ท่านมองภาพรวมไม่ออกเลยเอามาต่อเชื่อมโยงไม่ได้เพราะว่า ท่านไม่สามารถจะเอาตัวจิ๊กซอหรือตัวเลโก้ที่มันที่ท่านไปเลาไปรู้ไปเห็นมาเนี่ยมันมันวางเหมือนวางีนพื้นกระจายกระจายหมดเลยแล้วท่านไม่รู้จะต่อหัวต่อหางต่อไปตรงไหนแล้วจะไปเป็นภาพอะไรเนี่ยมันต่อเสร็จจะเป็นภาพอะไรเริ่มจะต่อตรงไหนอะไรต่อตรงไหนผมว่าท่านมั่วหน้าดูเลยผมเห็นอย่างเงี้ยคืนผมจะพยายามพูดต่ออีกต่ออีกมันก็กลายเป็นจิ๊กซอตัวใหม่อีกตัวใหม่อีกตัวใหม่อีกถ้ากัท่านก็ไปจั ท่านก็ไปสามารถนํามาต่อฮะเชื่อมโยงให้เกิดความภาพรวมในการจะปฏิบัติอย่างไงจะเดินทางอย่างไงแล้วปฏิบัติมันจะไปถึงที่สุดมันจะเป็นอย่างไงท่านมองภาพรวมนี้ออคื อ, อกอออานพิจารณาอื่นในการมาต่อฐานนี้ใช่เพราะท่านไปฟังของท่านนู้นฟังของท่านนี้อ่านหนังสือท่านนั้นไปอ่านหนังสือท่านนี้อ่นโอ้โหท่านเอากลายเป็นไปเอาอี จิกซอของไอ้รูกอื่นจิกซอของลูกอื่นจิกซอลูกมอาต่อไปต่อกันมั่วไปหมดเลยไม่รู้แยกไม่ออกเลยอันไหนเป็นอันไหนนี่นะนาาเนี่ยที่ที่ท่านมาหาคนนี่ก็คือให้มันรวบยอดเข้ามาให้มันเหลืออันเดียวเหลือจิ๊กซอ e al, อันเดียวไอที่มันปนปนป น, ป น, ปนมันเอาไอที่เอาของภาพอื่นมามารวมรว ม, รวมเอาออกไปห้หมดแล้วสุดท้ายให้มันชัดเจนในภาพเดียวคือจิกซอที่เป็นที่ไปสู่ความพทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ เดินทางลงมือเดินทางเพราะได้มาครบแล้วนี่อไืได้มาครบแล้วพอได้ครบปุ๊บก็ลงมือเลยลงมือเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วที่ถามทั้งหมดเนี่ยนี่แหคือลงมือเลยพอท่านเข้าใจแทบหมดท่านก็ลงมืออย่าให้มันแค่เป็นปัญญารู้นอกอย่าเป็นเพียงแค่สุดสมัยปัญญาให้มันเข้ามาเป็นปัญญาในใจคือโยนิโสมนสิการและลงมือปฏิบัติเมื่อท่านชัดเจนทั้งหมด ในเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งยานพาหนะลงมือเลยลเดินทางเส้นทางก็รู้ชัดเจนแล้วในมัดเนีส้นทางเดินน่ในมัด ก, ก็เดินทางเลยเครื่องมือก็ได้มาพร้อมแนละ้วความรู้ความเห็ น, นความเข้าใจก็ได้มาพร้อมลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติตทําความเพียรแล้วท่านก็จะพอท่านลงมือเนี่ยลงมือปฏิบัติเหมือนกับท่านจะเดินทางจากมาที่เนี่ยซึ่งมันอยู่ลึกลับซับซ้อน ท, ที่เนี่ยเข้ามาเนี่ย ที่สำนักสงของด็เตอร์เนี่ยที่บัญทีเนี่ยบัญทีเนี่ยสมมตินะนะเข้ามาเนี่ยถามมาคุ้เกี่ยวคุ้นเกี่ยวเนี่ยที่ลําพูนเนี่ยนั่นคนเดินทางมาคนไม่เคยมาโอ้แล้วว่าเข้าไม่ถูกอะไอ้ชื่อป้ายสำนักสงฆ์ก็ไม่มีมากข้าไม่ถูกเมื่อวานนี้หาไปปิดๆเลยไปเลยมาอนั้นเลยตอนคนออกไปรับที่ปากทางก็ยังยังหลงไปหลงมาเมื่อวานนี้นั้นยิ่งคนต่างจังหวัดยิงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็จะมาสำนักสงที่บ้าญที่ลําพูนเนี่ย งั้นคุณจะเดินทางมาที่เนี่ยเหมือนกับจะเดินทางไปตัวนความพ้นทุกเนี่ยคุณต้องชัดเจนในเส้นทางเมื่อคุณชัดเจนในเส้นทางแล้วคุณมีพาหนะมาสมมติว่าคุณพาหานะนั้นคือเป็นรถยนต์นะสมมติเลคุณมีรถยนต์แล้วมีพาหนะแล้วคือเส้นทางคุณก็ชัดเจนในใจแล้วแล้วก็คุณมีกําลังใจที่จะมามีความตั้งใจที่จะมาเนี่คือเด็เดีเด่ยวแล้วตั้งใจความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ต่อไปไปไดเวลา เดินทางมาที่ไม่ให้มันหลงทางแน่วแน่ในเส้นทางเนี่ยนี่ยคือสติตรรมะที่ปัญญาแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งมาในเส้นทางที่คุณชัดเจนแล้วเนี่ยแต่แม้คุณจะรู้เส้นทางชัดเจนแล้วจาก G P S, <S แล้วก็ G P S, <S GPS ก็ชัดเจนมากในเส้นทางใน G P S เด็กใน Google เนี่ยถกชัดเจนมากเลยรถก็มีแล้วตั้งใจก็แน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะมาก็พร้อมหมดแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณรู้หมดแล้วเนี่ยหมดหมดเนี่ย ลุกหมดแล้วอุปเครื่องอุปกรณ์อะไรเตรียมมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วแต่คุณเชื่อมไหมคุณเดินทาง ม, มาอย่างหลงหลงหลงหลงก็งมาถามเอาข้างทางอีกอั น, นี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาถึงบอกว่าคุณอย่าท้ออย่างเดียวในเรื่องในเรื่องรู้เนี่ยอย่าทิ้งรู้อย่างเดียวนี่คือไอ้ที่คุณน่ยอย่าทิ้งรู้อย่างเดียวเนี่ยขอให้รู้รู้รู้รรไว้ไงก็ตามคุณต้องรู้ไว้และรู้ด้ความเข้าใจนะไม่ใช่ว่ารู้บอกว่าอย่าทิ้งรู้ แต่เอาไม่ทิ้งรู้เลยแต่คุณรู้ไหมว่าสำนักสงบ้านที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วคุณก็บอกว่าจะเดินทางแล้วไม่สนใจอะไรแล้วเดินทางไปทางภาคใต้นู่นเนี่ยมันอยู่ตรงภาคเหนือนี่คุณต้องรู้เนี่ยที่บอกว่าอย่าทิ้งรู้คือรู้รู้รู้รู้มัะตะพื้นตะพื้เนี่ยตัดแต่ ว, ว่ารู้ตะพื้นตะพื้เนี่ยคุณต้องรู้เส้นทางแล้วเครื่องมือก็พร้อมแล้วอุปกรณ์ก็มีแล้วเข้าใจหมดแล้วเหลือแต่การเดินทางคือปฏิบัติ ทำความเพียรให้รู้ตักกะบรรู้รู้สักกะบรรู้แล้วก็แน่วอหอมาเลยเพราะว่าเป็นทางชัดเจนในใจแล้วถ้าคุณไม่ทิ้งรู้เนี่ยคุถึงแน่นอนจะไปไปลายทางไกด์ดิก็าบอกว่ารู้ก็ไม่รู้หรือว่าทิ้งรู้ไปแล้วหรือว่าพยายามจะรู้ออพขยันท่านเพียรขยายามรู้แต่มันรู้นู่นนะเดินทางไปทางใต้ตอนนี้สำหรับตรงที่เดียมอยู่ทางเหนือนี่ก <c oughs> ุญแ จ, จริงตัดอะไรเงี้ย ถ้าคุณไม่โยนนิสโตรวนติการเนี่ยไอ้ความรู้นอกของคุณที่รู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะรู้จากหนังสือรู้จากเรียนมหาตอเรียนมหาพิธามจ็อกเกอร์อะไรก็ตามเนี่ยถึงระดับไหนก็ตามฟังมากรู้มากจากครูบาอาจารย์อ no ่านมากฟังมากอะไรๆไหนก็ตามเนี uh ่ยมันเป็น hmm. ร right. ู้นอกถ้าคุณไม่เอาโยนนิโสมนาติการไม่ในใจเนี่ยคุณพ้นทุกไม่ได้แต่แม้คุณเอามโยนนิสโตรวนติการเอาโย้อนิเอามาโยนนิสโตรวนติการไม่ในใจนะแต่ถ้าคุณเนี่ยขาดกัรระยะนิมิต ยากมากเลยที่กูจะไปรู้ทําได้ท่านเห็นตัดเลยว่าโยนิโสมนาสิการกับกัญญาณ น, นั้นนเป็นทั้งหมดของพรหมจักรใช่ใช่เพราะอะไรคุณรู้หมดเลยเส้นทางคุณก็รู้หมดนะ GPS ก็มีรถก็มีอุปกรณ์อะไรเท่าไรคุณก็เตรียมมาหมดแล้วเนี่ยเส้นทางรู้แล้วว่าสตำนักตกวาทีเนี่ยมันอยู่ทางภาคเหนือนี่อยู่ลำพูนเนี่ยจำอยู่ในป่าเนี่ยอยู่เข้ามานี่เข้ า, ามรรยัตมาพามาคดเกี่ยวคดเกี่ยวเข้ามาเนี่ยกระดับนคนเชียงใหม่ลาพูนทังวัไม่ถูกเลยเมื่อวานเนี่ยลงไปลงมาแล้วเนี่ย เพรคุณชัดเจนหมดแล้วคนที่ลงไปลงมาเมื่อวานเนี่ยมาจากลำพูนยังใหม่เนี่ยยังลงไปลงมาเลยต้องเอาคนไปรับที่ปากทางเนี่ยมี G.P.S เลยนะยัมาไม่ถูกเลยคิดดูสิเพราะอะไรป้ายชื่อก็ไม่มีป้ายชื่อสำนักตัวก็ไม่มีไอ้นี่เราจะต้องรู้ชัดเจนมากเลย เส้นทาง be time, ั source, ้งหมดแล้วก็เอามาโยนในสโุทรนติกาไว้ในใจแล้วด้วยรู้เส้นทางชัดเจนไว้ในใจเลยไม่ใช่รู้นอกนะรู้ชัดเจนมากเลยเพราะอะไรเขาเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนลําพูนนี่รู้เส้นทางชัดเจนในใจเลยบอกเราถามว่าจะมาถูกไหยถูกถูกเพราะเป็นคนลําพูนนี่เองรู้รู้รู้ว่าอำเภอบ้านที่อยู่ตรงไหนรู้รู้ชัดเจนมากเลยรู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยต้องมาถูกแน่นอนเพราะว่าเขาเป็คนต่างจังหวัดคนที่ลาพูนนี่เองมายังหลงเลยล่ะ GPS ก็มีรถก็มีคนขับก็มีแล้วคนลำพูนด้วย นี่ยคือเอามาโยนิโสมนรติการไว้นในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยําหลงเลยเขาไม่หลงว่าอะไรนะมีคนไปเดินบอกทางออกไปรอปักทางนู่นและนําทางเข้ามาเนี่ยนะไอ้โยนิโสมนรติการไว้นในใจคืเส้นทางเนี่ยมันชัดเจนในใจมากเลยเขาอยู่เขาเขาไม่ใช่วบบรู้นอกนะรู้นอกนั่นคือคนต่างจังหวัดเลยคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพคนอีสานคนทางใต้ น, นี่ไม่รู้เส้นทางเลยเนี่ยอันนั้นน่ะอันนี้นไม่รู้เส้นทางเลย แต่ถ้าคนที่รู้เส้นทางแล้วก็เปรียบเหมือนว่าคนที่เรียนมามากแล้วแล้วก็ชัดเจนเส้นทางในใจเหมือนกับคนลําพูเนี่ยเขารู้ว่าสำนักสงฆ์บ้านที่ที่ลําพูน้ำอยู่ตรงไหนเขามาถูกมาถูกเพราะว่าชัดเจนเส้นทางในใจอันนี้โยนิโสมรติการใ น, ในใจครเอาความรู้ทั้งหมดมาโยนิโสมรติกาใ น, ในใจแล้วแต่พอลุงกุศลบัดเขาเดินทางมาลงไปลงมาลงไปลงมาเห็นไหมต้องให้เนี่ยไห้แขกเนี่ยออกไปยืนหน้าปากซอยนูน่นไปรอรับวะเนี่ย มันเข้าตรงนี้นะรถขับมารถยี่ห้ออะไรสีอะไรนี่แล้วคนออกไปยืนเนี่ยแต่งตัวอย่างไรเมื่ อ, อวานนี้นะรู้ทั้งรถที่เขาจะขับมานะแล้วคนที่ไปยืนรอเนี่ยก็รู้ว่าแต่งตัวอย่างไรให้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ ก, กันนะอ่าโทรศัพท์ถามว่าคนออกไปยืนเนี่ยจะแต่งตัวแบบนี้นะเนี่ยอนุ่งกางเกงสีดำนะใส่เสื้อเสื้อยืดสีขาวนะอืมแล้วก็รถที่จะมาก็เป็นรถบอลสีทองนะเ่ยรถบอลสีทองปรากฏยังไง ร, รู้ไหม ขนาดมีทั้ง GPS คนขับก็รู้ทางนะแล้วก็คนไปยืนเฝ้าผักทางนะนู้นขับรถเลยไปนู่นนะอา้าวทําไมนานมากเลยแขกก็โทรศัพท์มาถามว่าทํำไมเขายังมาไม่ถึงแล้วก็ไปไหนเนี่ยเราเราโทรไปถามปรากฏว่าขับรถเลยแขกไปฝั่งนู้นอีกเลยเลยคนไปรับรอไปกันนู้นนะเน่ยอ้าวเขบอกเลยมาแล้วไม่เห็นนะ่ะคนไปรับไม่ให้สัญญาณเออเขาบอกคนไปรับไม่ให้สัญญาณเลยแล้วก็บอกว่า แล้วเห็นไหมคนที่เขาแต่งตัวกันเกรย์สีดำเสื้อที่ขาวเห็นแต่เขาไม่ให้สัญญาณก็เลยคิกว่าไม่ใช่แต่ถามคนที่ไปไปยืนรับก็บอกว่าก็ไม่เห็นรถมันจอดอ่ะมันก็ขับผ่านไปหมดแล้วไม่เห็นรถมันจอดเอา้าว่าจะมาถึงนี้ได้ทุลักทุเล แบบเดียวกันนะคุณดูสมีทุกอย่างรู้ทุกอย่างโยนิโสมรติการนะก็เหมือนกับรู้เส้นทางทุกอย่างไวในใจแต่ลงมือปฏิบัตนะิคุณอยูสิยังลงหลงหลงแบบเนี้ <pathway. S 2> ไม่มีทางหรอกไม่ลงระหว่างเส้นทางก็มีทางแยกทางหลอกทางลวงอะไรถูกต้อง<ล> <grammar. S 1> ต้องระหว่างผู้ปฏิบนะัติแล้วมันก็ลงหลงหลงลงเนี่ยจึงต้องมีกัลยาณ ม, มิตรอีกอันเนี่ยนอกจากจะโยนิโสมรติการนะเรียนรู้มาหมดแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วนะแล้วก็มีแล้วก็มีโยนิโสมรติการนะคือะเส้นทางเนี่ยชัดเจนมากเลยแล้วก็ ทำก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยให้ให้เดินทางมาเนี่ยก็มาครบแล้วยัต้องมีกา ร, รยาณมิตรเลยที่บอกเส้นทางก็คือว่าทั้งแขกทั้งผู้ที่เนี่ยยังเราที่โทรศัพท์ไปบอกเนี่ยนั่นแหละคือกา ร, รยานามิตรถ้าคุณได้กัรยานามิตรที่รู้ทางจริงๆเนี่ยอันเนี้ยไม่นาะถึงจุดหมายได้ไม่นานหลบไปลงมาเดี๋ยวมันก็ถึงได้ <S <S แต่ถ้าโชคไม่ดีไปได้กา ร, รยานามิตรที่ไม่ดีคือไม่รู้ทางไม่รู้ทางจริงๆก็พาคุณลง ไม่ยอมกวักมือใช่ <c oughs> กัญญาณมิตที่รู้ทางคือคนที่ถึกทางถูกต้องเพาถ้าคนยังไม่ถึงทางแล้วเที่ยวฉีบอกให้ไปทางนี้ั <c oughs> ปทางนัมันก็พากับหลมท่านแต่ประเทศไทยกัญญาณมิตที่งไม่รู้ทางแล้วชี้เนี่ย อย่างรู้สึกว่าจะหลงทางแล้วต้องเข้าหากักยานนั่นต้องโทรมาถามหรือไหมกับอ่อไม่รู้หลายทีเราทำได้กับจักรยานที่ที่ไม่หลงทางซึองรู้ทางแล้วด้วยแลเคยเดินทางแล้วไปถึงแล้วด้วยนะทำมานานแล้วไม่ไม่ไม่พัฒนานี่ก็สุกที่ได้แล้วว่าผงมันจะต้องต้องเข้าใช่ใชคือให้ให้สังบอกไปเลยว่าถ้าเรายังไม่รู้บริวานิพานเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมันต้องหลงทางแน่นอนล่ะ อย่าทำเป็นไม่ถามอย่าทำเป็นอมความรู้ไว้ถ้าในขณะปัจจุบันเนี่ยไม่บรรลุที่พ่านเนี่ยมาแสดงว่าหลงทางแล้วต้องให้ให้ตั้งสมมติฐานที่นี่เลยถ้าทำศูกต้องทนทุกในปัจจุบันใช่อย่ากลัวเสียคอามบมีควอมอย่างนี้คนที่สอนธรรมนะโดยเนการสอนแบบมหาชนเนี่ย ก็คือมหาโจรแต่จริงๆโอ้ยผู้สอ น, นะะ mm hmm. เนี่ยมันยากมากยอมรับยอมรับถือว่านอกจากผู้สอนเนี่ยแต่รู้ตัวเองแล้วคือตัวเองอะชัดเจนในเส้นทางแล้วชัดเจนมากแล้วทุกอย่างอะคือชัดเจนจริงๆนะสามารถเดินทางปฏิบัติได้จนเห็นผลนะ้วประจักษ์แก่ใจแล้วเนี่ยนะนี่เรียกว่ารู้ตนเองนะเวลาไปสอนเขาเนี่ยต้องรู้ข่าด้วย มันยากตรงนี้ไงคือพระอรหันเนี่ยที่ท่านรู้ว่าตนเองพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเวลาไปสอนเขาเนี่ยแต่ไม่รู้เขานี่ก็พาเขาหลงผ่านได้ไม่ใช่ว่าพระอรหันที่ที่ท่านเนี่ยพ้นทุกข์แล้วเนี่ยแล้วไปสอนคนอื่นจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้เสมอไปนะไม่ใช่หรอกอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยพระสาวริบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาปัญญาเป็นเลิศสูงสุดของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนลูกศิษย์ของท่านคนนึ่งเนี่ยแล้ว สอนไปยังไงก็ไม่ไปยังไงเจ้าก็ทั้งสุดท้ายเนี่ยลูกติ๋นนั่นหมดกําลังใจเลยท้อถอยไปเจ้พระเจ้าเนี่ยต้องมาสอนเองว่าภาษาลิบุตรเธอสอนลูกติ๋นเนี่ยไม่ตรงกับตุนิสัยวัฒนาเก่าของเขาเธอไปสอนนี่เขาแต่เพ่งอสุภะกรรมฐานมรณานุสติเต้าเปยดปูพังเน่าเปิดปูพังเนาเปิดปูพังเนี่ยมันไม่ถูกกับจริตนิสัยของตั้งเดิม มหาปัญโถกกับจุลปันโถกเนหมือนกันอืมคือมันไม่ถูกกับอุวิสัยวัสนาเก่าเขาไงคือเขาไม่เคยเนี่ยลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเนี่ยเขาเขาไอ้วัสนาบารมีเนี่ยเขาเคยทำใอ้เป็นช่างทองในชาติชาติหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นช่างทองแล้วทําดอกบัวทองคําเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมถวายพระยาทรงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยบารมีของเขาเนี่ยทาให้เขาเนี่ยได้เกิดมาเป็นช่างทองฝีมือเอกหลายชาติ แล้วทําให้เขาเนีเห็นแต่ทองคาที่มันของเจิดสวยงามๆเนี่ยเขาไม่เคยได้มีความสัมผัสรู้สึกถึงในความตายเน่าเปื่อยบุพังเลยเขาไม่เคยในสรดสังเวชกับเอไอความตายเน่าเปื่อยบุพพาเนี่ยเขาไม่เคยสรดสังเวชเลยครั้งเดียวในชาติอื่นๆเนี่ยแั้เจะไปสอนให้เขาเนี่ยใไ้สลดสังเวชกับความตายเน่าเปื่อยบุพพามเนี่ยมันเลยไม่รู้สึกเพราะเขารู้สึกแต่เริ่องสวยงามอย่างเดียประทับอยู่ในใจเนี่ยเพราะเป็นช่างทองเตีมือเองทําแต่ทองทองทองมาหลายชาติติดต่อกันจนกระทั่งมันมันกลายเป็นอุบกษ์ใสไปแล้ว จึงกลายเป็นวาสนาบา ร, รมีที่ติดจิตมาพระเจ้าเลยเนลลามิศดอกบัวทองคําให้ติดตาติดใจเพราะโอ้โหพอได้เห็นดอกบัวทองคําที่พระเจ้าเนลลามิศมามันถูกกับอุวิสัยวาสนาเดิมนั้นเน่ยโอ้โหมันประทับอยู่ในใจไม่หายเลยจุกทาแบบว่าไม่ว่าจะรูุไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันดอกบัวไม่อยู่ข้างนอกแล้วดอกบัวทองคําที่พระเจ้าประทานในมาไม่อยู่ในใจเสแล้วอันนั้นแหะเออ มันไม่ใช่อยู่แต่นอกซะแล้วอันนี้เหมือนกับไม่ได้เป็นปัญญานอกซะแล้วมันกลายเป็นปัญญาในซะแล้วมันเอามาไว้ในใจเลยเนี่ยโยนิโสมานัตธิการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโยนิโสมานัตธิการแบบตั้งใจน้อมเอาเข้ามานะนี่มันโอ้โหมันมาอยู่ในใจเลยมันไม่ใช่การเป็นดอกมัวนอกซะแล้วที่พระเจ้าให้มาเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในใจตลอดเลยไม่เคยหายไปจากใจเลยมันแบบทั้งมีความรู้สึกทั้งชื่นชมทั้งอะไรคือมันอยู่ในใจรวมไปหมดเลยทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกทั้ง ตดดดดิดตาใใติดใจภายในใจเนี่ยมันเป็นห น, น <doctrine> ึ่งเดียวในใจเลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องตั้งใจน้อมขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยโยนี้สมนั้การแบบบางนอย่างนั้นเลยแล้วพระเจ้าก็ในลลมิทเห็นว่าด้วยเวลาสมควรแล้วคือติดไม่หามันติดอปติดใจประทับจิตประทับใจจนจนมันสุขงอมแล้วก็ดลลามิทให้ดอกบัวทองคําเนี่ยมันค่อยๆเที่ยวเฉาเน่าไปเหมือนดอกบัวจริงๆเน่าไปธิระกีธิระกีร่วมหมด จิตที่มันหลงรักที่มันมีความสุขตุตุตุตุตุกตะอ้วเนี่ยมันคลายมันคลายไม่เที่ยงไ ม, Blaze, ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เท bah, ี่ยงเที่ยงลู่อรานเนี่ยฉันถึงบอกว่าเราต้องเจอกันลายนิมิตรที่ท่านบรรลุทำได้เป็นพระรหันต์ด้วยนะที่ท่านบรรลุทำได้แต่ต้องเจอกันลายนิมิตรที่ที่รู้นอกด้วยคือรู้เขาด้วยรู้ผู้ที่ถูกสอนด้วย มันทิ้งยากนะยากมากเลยในในปัจจุบันเนี่ยนันสมัยพระสารีบุตรด้วยนะอักขาละาสาวบกเบื้องขวาปัญญาสูงสุดโอ้โหแล้วนีนปัจจุบันเราจะไปหาอาหารที่ไหนที่ขนาดนั้นเนี่ยคือตัวเองก็บรรลุด้วยแล้วรู้อุปัยวาสนาบา ร, รมีเก่าของของโลกสิด้วยเนี่ยโอ้โหจะไปหาอย่างนั้นได้ขนาดพระสารีบุตรอักขาาสาวบกเบื้องขวาเป็นยากเลยลนั้นมันก็เพียงแต่ว่าได้ครูบาอาจารย์นะที่ท่านชัดเจนด้วยแล้วก็ แล้วก็สามารถที่จะบอกเราเราเราได้บอกเส้นทางเราได้เราเราลองอย่างนี้ดิเราอย่างนี้ดิลองอย่างนี้เองลองอย่างนี้คือมันก็พอรู้แน่แต่จะให้รู้ถึงกุฎเจ้านันไม่รู้หรอกมันก็พอรู้แล้วก็บอกเป็นเราเราให้ลองทำอย่างนี้ดิเอกลองอย่างนี้ลองลองนี้ลองงี้เดี๋ยวก็ปิ้งเล้ลองไปทําดิเออถ้ามันชัดเจนเลยเฮ้ยความทุกข์ความเครียดกิเลสมันเบาบางลงไหมันเริ่มชัดเจนชัดเจนชัดเจนชัดเจนเอออย่างเงี้ยมันก็ต้องอาศัยกันเราเรากันอย่างนี้แน่ มันจะไปปิ๊งหรือมะเจ้าได้หรือผีชี้โป้งเลยนั่นน่ะเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันอัตเตะไปไปบอกว่าเราบรรลุแล้บรรลุอรหันต์แล้วบรรลุอะไรที่ผ่าอะไรไม่ใช่นะเราก็ไม่ได้เป็นอรหงอรหานอะไรไม่ได้บรรลุบรรลุอะไรเราก็พูดอย่างที่เรารู้นั่นเองนะถ้ถึงพระที่เป็นอณัขัยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะมันไม่เหลือพูดจะเป็นเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะ เราเป็นคนธรรมดาเป็นพระธรมธรมดาธรรมดาลวงตาแก่ๆเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เป็นโอรหังโอราหันอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรุ่นนิพพานนิพพานอะไรเกือบกูนได้เกือเกือกูเดี๋ยวคนจาไปบอกไปลป็นลำเลยว่เสียหายเพราะว่ท่านชัดเจนกันขึ้น ม, มาแลนะ้วนเนี้ยใช่ครับ ต, ต้องขอบคุณพาะ ด, ด็เตอร์เดี๋ยวเปประเด็น กั บ, บคุณสองตาที่แม่ตา